ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายไปร่วมประพูติยานได้นําเสนอทุกขะอริยสั์สืบต่อกันมาตามลำดับก็มายุติที่ทำไปทำมากระยุดชี้จิตซึ่งไปยึดมั่นถือมั่นในขันตั้งห้านั่นเองว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราจากนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้น หรือแม้แต่ยึดถือด้วยอุปาทานทั้งสี่ยึดถือด้วยอำนาจความใคร่ยึดถืออำนาจความเห็นยึดถือด้วยอำนาจการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ยึดถือด้วยความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนจะนำไปสู่ความทุกข์ที่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นสภาพปัญหาคือจะพูดถึงเกิดแก่ตายหรือทุกข์ที่จรก็ตามมันเป็นสภาพปัญหา ซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากเหตุก็คือกิเลสเพราะั้นกหะสามก็ดีเรียกว่าอุปาทานสี่ก็ดีเนี่ยมันก็คือกิเลสและกิเลสเหล่านั้นเองถ้าเราแยกประเภทดูมันก็คือโลกปดลงหมายความกิเลสประเภทคว้าก็มาหาตัวหรือประเภทที่ผลักออกไปหรือประเภทที่ยึดถือเอาไว้แล้วก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้ ก็เหมือ น, นอาการที่เรามีคนส่งของให้เรานะฮะเราสังเกตพอแต่ของเราชอบเราก็รีบรับแต่ของเราไม่ชอบเราก็ผลักออกของบางอย่างเราไม่แน่ใจนะฮะก็รับมาถือไว้แต่อย่างไม่ได้ทําอะไรนั้นก็เป็นลักษณะาอาการอาการเหล่านี้ยถ้าเราดูจริงๆก็คืออาการกิเลสโลภะโทสะโมหะผลักออกก็เป็นลยไม่ใช่คือคว้ามาก็เป็นโลภะหรือราคะผลักออกไปก็ไปเป็นโทสะ แล้วก็จับเอาไว้โดยไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรเนี่ยแสดงว่าเป็นอาการของโมหะทีนี้ความทุกข์ในอริยสัจอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่ามันแตกต่างจากความทุกข์ในใจรักษณ์คือความทุกข์ในใจรักเนี่ยจะครอบครอบคุมหมดทั้งอริยสัจแล้วก็ทั้งใจรักษคือหมายความว่าครอบคุมหมดทั้งสิ่งที่มีชีวิตและก็ไม่มีชีวิต แต่ว่าทุกใดอริยสัตว์นั้นพูดเฉพาะทุกของสิ่งมีชีวิตที่มีตัณหามีอุปาทานเป็นเหตุยึดนะพูดง่ายๆว่าเป็นผลพวงมาจากอวิชชาตนาุปาทานนะก็จะทําให้กรอบเนี่ยมันแตกต่างกันตรงในอริยสัตว์รกรอบมันก็แคบกว่าทุกในใจรักตอนเวลาพูดทุกในใจรักณเนี่ยเขาเรียกว่าความเป็นทุกข์แล้วก็ถือว่าเป็นสามัญยลักษ คือลักษณะที่เหมือนกันหมดของสปปรรพสิง่งสปปรรพสัตว์ทั้งหลายยกเว้นอย่างเดียวคือนิพพานนะอย่างอื่นมันจต้อ ง, ต, องต้องอยู่ในกฎตรงนี้ทั้งหมดเพราะในอริยสัจเนี่ยทั้งเรียกวัสดุรสกิดคือกิดของอริยสัจแต่ละข้อเนี่ยมันมีอยู่สี่ประการประการแรกก็คือเบียดเบียนเราสังเกตว่าความคิด อยากจะได้ไม่ได้ตามที่ต้องการเแล้วได้แล้วก็เป็นห่วงวิตกกังวลควรจะเป็นอันตรายไปกวกลายเป็นทุกข์ด้วยกันเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์พลาดพลาดก็เป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์นะฮะเป็นทุกข์ในการดูแลรักษาวิตกกังวลควรจะเกิดอันตรายขึ้นมาแล้วความรู้สึกเหล่าเนี้ยบางอย่างที่ออกไปเป็นรูปเวทนาคือเบียดเบียน เดือดเบียนก็อเกิดความร้าร้อนเดี๋ยวตัวอย่างว่าทุกที่สืบเนื่องมาจากเกิดทั้งหมดที่จริงมันสืบเนื่องมาจากเกิดะนะฮะจะต้องแสดงถึงความทุกข์สิบประการที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตทั้งหลายแล้วก็แก้ไขไม่ได้ทําได้แค่บรรเทานั่นก็คือคือความหนาวความร้อนเห็นไหมเราก็มีหนาวมีร้อนเราก็ทําได้แค่บรรเทา เวลานี้ก็มีเครื่องมือเครื่องไม้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยบรรเทาเยอะแล้วก็สิ้นเปลืองเงินทองเยอะเหมือนกันนะครอย่างติดแอร์เครื่องหนึ่งนี่ค่าใช้จ่ายเยอะเลยแต่ว่าเพื่อบรรเทาความร้อนประเทศที่เขหนาวเ ก, กติดทีเตอร์เพื่อบรรเทาความหนาวแล้วก็สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไปเยอะแต่เราก็ไม่เคยแก้บันได้อะนะ คนที่เกิดมาในโลกเนี้ยจะเกิดมาจีกคนก็ตามก็เจอสภาพเหล่านี้ได้กันมากหรือน้อยเท่านั้นประการต่อไปคืหิวกระหายก็เป็นความทุกข์ประจํานะฮะเรากินข้าวกลาวนึ่งก็บรนเทาไปได้ไม่กี่ชั่วโมงหนระือจะนึกว่าพลาดในที่จริงบรนเทาเยอะนะคือฉันเข้าเสร็จตีตีเชทวเที่ยงวันนะฮะเที่ยงวันก็นกาฬิกาก็หมุนไปก็ ตอนกลางวันในหกชั่วโมงตอนกลางคืนอีกสิบสองชั่วโมงรวมแล้วสิบแปดชั่วโมงยังไม่ได้ฉันนะ น, นะฮะสิบเก้ายี่สิบประมาณแปดโมงในฉันข่าวก็บรรเทาไว้แล้วก็อยู่ได้ถึงยี่สิบชั่วโมงหรือสิบเก้าชั่วโมงแต่น่ น, นะเราเสร็จแล้วก็หิวย่ะก็หิวอีกตวัวเรามะหิวกับกระหายเนี่ยเรามทําได้แค่บรนเทา กระหายนั้นข้าก็ดื่มน้ำได้ตลอดนะดื่มเมื่อไรก็ได้แต่หิวเนี่ยบางทีมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้บางทีก็พอบรรเทาได้แล้วก็ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะอันนี้ก็อีกอะ่ะเราก็ยุ่งกระมันอยู่ตลอดแล้วบางคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องช่องท้องในเรื่องเกียรกาัาระบบขับถ่ายเนี่ย มีปัญหาสาราพัดไปที่ไหนก็ลาบากแล้วน้นก็คือแกจะตายไอ้เ น, นี้ยมันจะเบียเดเราตลอดเบียเดเบียเราตลอดให้ทุกมากทุกน้อยสุขมากสุขน้อยนะฮะก็เป็นการเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วต่อไปก็มีปัจจัยปรุงแต่งคือปัจจัยปรุงแต่งที่ทำให้เราเกิดมาเนี่ยคือชาติที่ทุกเนี่ย มันเป็นปัจจัยที่เป็นรูปธปรรมด้วยแล้วก็นามาทำด้วยยกตัวอย่างปัจจัยที่เป็นรูปธรรมในกรณีที่เราเป็นคนรูง้ง่ายๆที่คนอะไรกันเนี่ยนะเราจะเหว่าปัจจัยที่เป็นรูปธรรมก็คือมารดามีระดูมารดาบิดาอยู่ร่วมกันนะแล้วก็อยู่ในช่วงที่ชีว่าวิทยาที่พูดถึงไข่สุกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันก็มีคันทัโป ค, คือ กระบวนนามนธรรมที่ประกอบด้วยกิเลสกรรมแล้วก็วิญญาณนะบางทีเนี่ยทรงเรียกว่าขันธทัพโภไม่ได้เจอบ่อยนะฮะไม่เจอบ่อยก็จะถือเป็นส่วนที่ในขันธ์กแสดงว่าการเกิดเนี่ยก็มาจากเหตุปัจจัยสองอย่างปัจจัยที่เป็นนามนธรรมกับปัจจัยที่เป็นรูปธรรมทีนี้เกิดมาแล้วสุขภาพพรรนาวยังไงก็กลายเป็นเหตุปัจจัยกหยนึ่ง สะดวกแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ในกระบวนการของเหตุปัจจัยหรือว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ปัจจัยนี้ก็ปรุงแต่งนะตอนเราแก่แล้วก็แก่ตามเหตุปัจจัยนะคนบางทีเนี่ยก็แก่ไม่มากเมื่อก่อนนี่มีคนมามหาทิกติที่จริงก็เป็นลูกศิษย์มาฟังอบรมกรรมฐานในจิตสวอนนะแต่ว่าก็จําได้แต่หน้าไม่ได้ม่ได้จักชื่อ มาธิกุติเขาก็เรียกเขาโยงอย่างงั้นโยงอย่างนี้ก็สอบถามปรากฏอายุอ่อนกว่าทั้งสี่ปีนะอายุอ่อนกว่ารสมาทั้งสี่ปีเราเป็นรุนน้องนี่ก็คือแสดงให้เห็นนงว่าความแก่มันก็เป็นเหตุปัจจัยอ่ะแก่มากแก่น้อยแก่ช้าแก่เร็วอะไรต่างๆแต่ก็แก่นั่นแหละมันก็เป็นกระบวนการตามเหตุปัจจัยของมันปัจจัยปุงแตง่งแล้วก็เจ็บตรเงเว้นกันก็เจ็บมากเจ็บน้อย บันคนก็ไม่ค่อยเจ็บก็แสดงว่าเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแม้คําว่าทุกข์นี่ไม่ได้หมายถึงว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างเดียวนะทุกข์นี่มันเป็นกระบวนการธรรมชาติอย่างในกรณีของปัจจัยปรุงแต่งเห็นไหมทุกอย่างก็เป็นทุกข์หมดเลยปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยกรอบมันจะใหญ่มากจะรถคันนึงก็เป็นทุกข์นะฮะมันเกิดไปจากปัจจัยปรุงแต่งแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถูกเบียดเบียนด้วยสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆ แต่มันไม่ประสบทุกเวทนาแต่นั้นเองเพราะมันไม่มีจิตแล้วก็เมื่อถูกปบแต่เผาจะเกิดอาการคือเร้าร้อนเห็นไหมเร่าร้อนด้วยความแก่ด้วยความเจ็บด้วยความตายด้วยความโศกความรับไรราพันความทุกข์ความเสียใจความคลั่งแค้นใจแต่และอย่างนี้ร้อนตั้งนั้นนะฮะแล้วก็เผาหลุนใจให้ร้อนเครเจอพวกเหล่านี้เข้ามาก็าจะรู้สึกว่ามีความเร้าร้อน แต่มันดีอย่างเนี่ยมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากดีขึ้นหรือว่าดีลดลงนะแต่ว่ามันจะไม่คงที่นั่นคือลักษณะอย่างหนึ่งคือการไม่คงที่ชีวิตเราจึงเป็นกระบวนการเลื่อนไหลเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงไตรลักษณ์เนี่ยเราจึงพบว่านิจังทุกขังอาศาศา่านตรายพูดแนวเนี้ยจะมากเพราะว่าการเลื่อนไหลเนี่ยมันชัดเจนมากเลย ทั้งกายทั้งจิตเนี่ยเลื่อนไหลตลอดไม่อยู่นิ่งเลยแล้วก็พูดถึงทุกพูดถึงอนัตตานี่ก็เป็นสิ่งที่ทรงสอนในแนวให้เราเนิงก็คือกำหนดรู้ปรับใจยอมรับถึงสภาพความจริงนะมันถูกเบียดเบียนอย่าไปซ้ำเติมตัวเองให้มันเป็นเฉพาะของมันเราไม่ต้องไปแบกทุกข์มัน มันเบียดเบียนได้เท่าไรเราก็บรรเทาได้เท่าที่บรรเทาได้ปัญหาสําคัญว่าถ้าเราไม่คิดแนวใดแนวหนึเนี่ยมันไม่ต้องไปถามมาทมําไมเงต้องเป็นเราเช่นว่าเวลาถูกเบียดเบียนจากคนจากสัตว์จากโรคภัยไข้เจ็บจากไปัญหาต่างๆที่มาลุกมาตุ้มข้าวเนี่ยเอาก็จริงแล้วเนี่ยมันก็ เราไม่ได้หนักที่สุดหรอกมันมีคนที่เขาหนักกว่าเราะถูกเบียดเบียนรุนแรงจนถึงก็ทุกขเวทนาสาหัสากันเนี่ยนะคื อ, อยังนึกถึงพระโมคคะราตรันต้องการจะสอนพระนะท่านเป็นพระหันและท่านต้องการจะสอนพระพระเขารู้สึกสนขนองนะธรรมดาคนเนี่ยพระยุคไหนสมัยไหนก็คือการในพระก็คือคนอ่ะ พอจับกลุ่มกันมันค่อนข้างจะขนองแล้วก็ประมาทมากไปแดดร้อนจ้าเลยนะ่ะท่านไปนั่งอยู่กลางแดดลากระเห็นก็จะแปลกใจก็ไปกราบเรียนว่าแต่ทาวัานั่งอยู่กลางแดดนี่มันไปอยู่กลางร่มมันร้อนท่านบอกว่าไม่เป็นไรเราคุณไฟนระกมันร้อนกว่านี้นั่นเป็นวิธีเป็นวิธีสอน วิธี่สอนให้คนคิดว่าเราขนองทั้งกายทั้งวาจายอย่างนี้อะมาเกษ์บวยวายกันอย่างเนี้ยมันเป็นแรงผลักดันของกิเลสมันไม่ใช่วิสัยของส ม, มณะที่เป็นคนเอเกรกาชอย่างเนี้ยขนองกายขนองวาจายอย่างนี้ก็เตือนว่ามันมีโอกาสจะตกนรกเพราะถเทียบกับความร้อนของแดดที่ท่านนั่งพึ่งแดดอยูเนี่ยความร้อนในรกร้อนมากกว่าเป็นการกระตุน้นเตือนให้เกิดจิตสำนึกขึ้นภายในจิตใจของท่าน แต่ว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมันไปซ้ำเติมตัวเองนะทุกแทนที่จะลดเนี่ยมันเลยไม่ได้ลดอันทีก็ตีอกยกหัวตัวเองนอนซึมเศร้าไม่กินไม่ทำงานใกล้ๆกับหมดอะไรตายยากในชีวิตหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนัตอนตรงนี้ก็มองว่ามันเป็นของมันอย่างนี้แหละเมื่อเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ท ำ, นทำอย่างไงอ่ะ ฝนตกน้ําท่วมเนี่ยเดินลุยน้ําเลยจะทํำยังไงอ่ะทาไมลุยน้ําก็ต้องหาเรือไปอะ่ะแต่เมื่อไม่มีเรือก็ต้องลุยน้ำถ้าจะไปเจอหนาวขึ้นมาตกความหนาวเสศษแทงจะทํำยังไงอะ่ะก็ต้องพยายามบันเขาเออกมันก็เป็นอย่างนี้นะเราจะเห็นว่าแม้แต่ประเทศบางประเทศเนีย่ยประเทศอย่างยุโรปอเมริกาเนี่ยเราดูแค่มจะหนาว บางฤดูฤดูฤ ด, ดูร้อนมันร้อนสาหัสสากัญเหมือนกันนีอย่างประเทศอินเดียเนี่ยนมาเคยไปอยู่อินเดียมาวเวลามันร้อนก็ร้อนสาหัสเวลาหนาวก็หนาวสาหัสทั้งกันสาหัสทั้งนั้นเลยฝนตกเนี่ยไม่ค่อยมากะแต่เจอหนาวกับร้อนเนียของอินเดียเนี่ยน่าดูก็มันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็แค่บรรเทาแล้วอย่าไปให้ความสําคัญกับมันมากเกินไป ธรรมดาเนี่ยคนอื่นก็ทนได้เราก็ทนได้คนอื่นก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้เพราะนั้นปัญหาใหญ่เนี่ยอยู่ที่การทําใจอย่าซ้ําเติมตัวเองในระเบีบประสบความทุกขเวทนาต่างๆอย่าไปซ้ําเติมตัวเองถ้าซ้ําเติมตัวเองแล้วเนี่ยมันเป็นการบั่นทอนความเชื่อมัน่นบั่นทอนศักยภาพไปในตัวเราทําให้เกิด ค, ความอ่อนแอแล้วก็ มันถึงจุดหนึ่งมันหนักไม่เอาเบาไม่สู้เพราะฉะ น, นถ้าเราดูในประเทศต่างๆเนี่ยเราลองสังเกตนะฮะประเทศหนาวเนี่ยหนาวมากเนี่ยานะทางเศรษฐกิจคนจะดีเพราะมันเป็นการปลูกให้คนมุ่งมั่นในความขยันที่จะเอาชนะต่อความหนาวให้ได้จะเดินเร็วทํางานเร็วตัดสินใจเร็วนะอากาศอบอุ่นเฟื่องไปนะฮะอากาศร้อนก็กลัวร้อนนะ เราจะดูแถวอปมริกา อ, อะไรแต่ไรประเทศไม่ค่อยจเจริญเพราะอากาศเนี่ยมันไปยอมจำนวนกับอากาศเรานั่นแล้วก็ขาดความกระตือรร้นที่จะช่วยตัวเองให้รอดค้นจะไป อ, อันตรายบางขัางบางคราวเราก็ดูแล้วก็หดขูด่ว่ามันไม่น่าจะหนักหนาสาหาัสกันอย่างนั้นนี่ก็คือเรื่องของทุก เป็นการพูดถึงทุกในอริยสัตว์นะแต่บางอย่างเราจะเห็นว่าอาการเล่าร้อนเนี่ยมันไม่มีในวัตถุสิ่งของเพราะมันไม่มีจิตแต่ความแปรปรวนก็ดีการเบียดเบียนก็ดีปัจจัยปรุงแต่งก็ดีก็เหมือนกันนะครทั้งสิ่งที่มีชีวิตทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ตกอยู่ในสภาพแย่เดียวกันอันนี้ก็คือความจริงที่พระเจ้าทรงเปิดเผยชี้จแจงแสดงให้โลกก็เห็น แล้วก็ไม่ได้ปล่อยไว้เฉพาะเท่านี้มานำมาสอนในแนวที่ให้หาประโยชน์จากสัตยธรรมตรงนี้คือตัวสัตยธรรมตรงนี้เราไปลบหลีกอะไรเขาไม่ได้หรอเราเกิดมาแล้วะแต่ว่าทำยังไงว่าตัวหาประโยชน์จากเขาให้ได้เพราะแนวทุกเนี่ยสอนเยอะเลย เช่นว่าทุกสัญญากําหนดได้เห็นความเป็นทุกข์จึงเกิดขึ้นเนี่ยเช่นสมมติเรานั่งนานๆเนี่ยนั่งนานๆแล้วปวดเมื่อยแต่นที่จะพลิกเนี่ยไม่ต้องพลิกมันแดูมันเด็เพ่งดูที่ตัวเวทนาที่มันเกิดความทุกข์ที่มันเกิดแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายเนี่ยแบบมันเป็ น, เ ป, นเป็นทุกข์แท้ๆเลยฮแต่ที่เราทนได้เนี่ยเพราะเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยบวดอยู่เรื่อยพอทนได้นะ เห็นไหมเราบันเทาบันนาต่างๆถ้ า, าอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งอย่างเดียวเช่นว่าปล่อยหิวก็หิวไปเลยนะฮะนั่งก็นั่งไปเลยนอนก็นอนไปเลยยืนก็ยืนไปเลยเนี่ยจะเห็นทุกที่ชัดเจนมากย่างขึ้นเพราะคนนี้เลย ก, กลายเป็นครูกลายเป็นครูที่สอนใจแก่บุคคลมีพระรูปหนึ่งชื่พระติษสะปูติกัสตะคือกายท่านเหม็นหน้าเหม็นหึงนะฮะ เจนภิกษุด้วยกันรังเกียจไม่มีใครรักษาพยาบาลโอ้เจ้าต้องเสด็จมารักษาพยาบาลต้มน้ามาตแต่งร่างกายให้แต่ว่าก็ทำไม่สำเร็จหรอกพระมาช่วยกันเดี๋ยก่อนเสร็จแล้วก็ส่งสอนให้ดูให้ดูตัวร่างกายที่มันเปื่อยเน้าอยู่นี่ยกำลังจะแตกดับไม่แตกดับแล้วอยู่เนี่ยให้ดูไว้เห็นเป็นทุกข์รับสั่งเตือนให้สติว่าร่างกายนี้ไม่นานหรอก จะล้มลงเหนือแผ่นดินพอวิญญาณออกไปจากร่างแล้วมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรจะเหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ท่านก็พิจารณาตามไปแล้วก็เห็นจริงมนุษย์มรรคผลพร้อมกับตายพร้อมก็บ น, นิพพานไปเลยเห็นไหมตัวทุกเป็นที่จริงถ้าเราออกมาเป็นครูรมันครูได้เยอะเลย ที่พระเจ้าสอนทุกในอบายสอนทุกในเปรตสอนสุขในสวรรค์อะไรต่างที่จริงถ้าเราคิดได้ดีเนี่ยเราเห็นอยู่ในโลกปัจจุบันนี่แหละมันไม่ต้องไปรอชาติหน้าเราเนะช่นสมมติว่าคนที่โกรธชอบบันดันโทสะอะไรง่ายๆเนี่ยรู้อำนาจแกโทสะพูดกันหน่อยเดียวช้ปืนเปลี้ยงยิงเพื่อนตายแล้วแล้วบนตัวไทยโทสะนี่จะเผาหล่นแก ให้ต้องหนีก็เจอรกระเจิงกระเซาอกระเซิงไปในที่ต่างๆแล้วถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับกลุมมาได้ก็ผ่านกระบวนการยุติธรรมสารตัดสินลงโทษก็ประสบความกับประสบความพกุกเนี่เห็นไ้มว่าก็มือก็ตกนรกนะมันก็ตกนรกทั้งเป็นอันนี้ก็สอนบทเรียนนะเห็นว่าพวกนี้ปัญหาพวกนี้มันเกิดมาจากกิเลสถามมาตรงนี้ถ้าเราไม่โกรธเนี่ย อผลเราเนี้จะเกิดขึ้นไหม่มันก็ไม่เกิดทําให้เป็นการมองในแ น, แนวของการสืบสาวสืบสาวเพื่อเข้าหาความจริงของสังขารร่างกายทั้งหลายเนี่ยเออทุกมันก็เท่านั้นแหละร่มไปมันก็เท่านั้นะมันได้อะไรทำใจเฉยๆสักอ่ะแล้วก็เป็นเขน้ามาในงั้นแหละอาการของความทุกข์ก็จะลดลง อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนนะว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจนะฮะใจมันยึดมันก็เป็นทุกข์ไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์นะฮะยึดมากก็ทุกข์มากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยปล่อยวางก็หมดทุกข์ไปเลยจบก็ตรงนั้นตายที่ถักทีก็ดีเหมือนกันนะอย่างที่ท่านเล่าถึงหลวงพ่อองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อทองดีท่านมองอะไรดีหมดอ มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยท่านก็ว่าดีนะดีเหมือนกันคนก็ชงกาแฟให้ฉันผิดท่นที่จะใส่น้ําตาลใส่เกลือให้ฉันท่านฉันบอกลืนก็ไปท่านก็บอกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะฉันกาแฟใส่น้ําตาลมานานแล้วใส่เกลือสับางก็ดีเหมือนกันจะถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนมาขูจะฆ่าท่านท่านก็บอกเออฆ่าฆ่าก็ดีเหมือนกันนะนะ ก็จะได้พ้นทุกขพ้นร้อนไปทั้งจิตหนึงพูดไปพูดมามันก็ไม่ขาเออไม่ขาคขาดก็ดีเหมือนกันจะได้อยู่เช่ดพรวัดรได้หยาดโยมก็เพื่อมันสามารถหาประโยชน์ได้หมดแต่เราคิดได้เป็นแต่เราสูญเสียเวลาไปกับทุกข์ที่มันเยอะโดยเฉพาะพวกพัดพลาสูญเสียนะฮะเราจะทุกข์มากแล้วก็บางครั้งบางคราวเป็นการพัดพลาดแบบกระทำหันห มันจะทุกข์มันกัดกร่อนจิตใจนะเจนลูกกำลังน่ารักเนะี่ยมันเกิดอุบัติเหตุตายกันมาเกิดรถชนตายเกิดอะไรนะโอนหลายปีนะฮะกว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ น, ะนั่นคือปิยวิปโยคการพลาดพลาดสูญเสียจากคนจากสัตว์นันเป็นที่รักแต่ถ้าตรงนี้ถ้าปัญญามันเกิดพินิพิจารณามันก็ธรรมดา แะ ไ, ไว่เป็นธรรมดาลูกก็ตายไปแล้วลูกก็ไปดีมีจุกไปแล้วนะก็ไปเกิดแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเราร้องไห้เสียใจอะไรต่อเขาอยู่เนี่ยเขาก็อยู่อย่างที่เขาอยู่เขาก็ไปตามกรรมของเขาก็ามาด้วยกรรมของเขาก็อยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของเขาก็จากโลกนี้ไปด้วยกรรมของเขาเราก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเพราะขนาดลูกเกิดทีหลังยังตายได้เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันจะตายตอนไหนนะ ก็ไม่รู้เอาชีวิตปัจจุบันก็แล้วกันพยายามทําความดีให้ได้มากในปัจจุบันส่วนตายก็คือตายก็ไม่ไม่ว่าจะไงตายก็คือตายแล้วเราจะโรงตกในอารมณ์ทั้งหลายเป็นมากแต่เราลองทบทวนดูว่าปัญหาขาใจของคนแต่ละคนเนี่ยมันมีเยอะเลยที่เป็นเรื่องพละดพราสูญเสีย ก็เรียกความสูงความร่ําไรรําพันความทุกข์ความเจอะใจกวามขับแค้นใจนะฮะมันอยู่เป็นอุปายาตคือขับแค้นใจขับแค้นอยู่ภายในแห้งเปลือในภายในนะแล้วก็แค้นทําอะไรไม่ได้ก็แค้นยิ่งแค้นยิ่งไม่ได้เลยตรงนี้ถ้าเราคิดได้เนี่ยเราใจว่าเราบันเทาหมดนะทั้งราคาทั้งโลภะทั้งโทสะต้องโมหะบรรเทาได้ทั้งหมด เพราะว่าตัวความคิดเนี่ยมั น, ม, นมันบรรทมโมหะแล้วนะคิดได้เนะี่ยในที่สุดมันก็จะมีเวลาเพื่อซึ่งมันน้อยอยู่แล้วนะโอทําให้เกิดประโยชน์แก่ตนแล้วก็ไปเกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นแม้จะตายจากโลกไปก็ชื่อชื่อเสียงกีติติคุณความดีก็ยังเป็นราประดับโลกอยู่นะซึ่งก็ชื่อว่าดําเนินไปตามหลักที่พระเจ้าทรงสแสดงเอาไว้ว่า เราก็เตือนเธอทั้งหลายให้ทราบไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นในสมบูรณ์นะฮะด้วยความไม่ประมาณเถิดต้งฝั่งทั้งหลายแต่รวมบวติญานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงครั้ น, นี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี